คุณค่าเนื่องด้วยความหลุดพ้นหรือคุณค่าเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งความดีงามคุณค่าข้อนี้ว่าที่จริงก็รวมอยู่ในคุณค่าข้อแรกคือคุณค่าด้านการทำจิตในแง่ความปลอดกิเลสแต่มีความสำคัญเด่นเฉพาะจึงยกมากล่าวเน้นไว้ต่างหากคุณค่าสองข้อแรกนั้นทั้งคู่ ท่านมากล่าวถึงโดยอ้างยิงหลักอนิจจตาเพราะความเป็นอนิจจังเป็นภาวะที่มองเห็นได้ง่ายผู้ปฏิบัติธรรมแม้จะในระดับเบื้องต้นก็จะได้รับประโยชน์จากไตรลักษณ์โดยเข้าถึงคุณค่าสองข้อแรกนั้นตามสมควรแก่ปัญญาของตนแต่คุณค่าอย่างที่สามในข้อนี้มักจะมาพร้อมกับการมณสิการความเป็นอนัตตา ความจริงการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตายอมให้ผลเนื่องถึงกันหมดดังนั้นการพิจารณาลักษณะทั้งสจึงมีคุณค่าส่งถึงความหลุดพ้นได้ทั้งสิน้นแต่กระนั้นตัวเด่นในการตัดสินชี้ขาดจะอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจอนัตตาดังจะเห็นได้จากพุทธพจน์ที่ว่าพึงเจริญอนิจจสัญญาพึงถอนอสมิมานะ ดูก่อนเมคิยะแท้จริงเมื่อมีอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาจึงปรากฏผู้มีอนัตตสัญญาคือหมายรู้ในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาจะลุกถึงภาวะที่ถอนเสียได้ซึ่งอัศมิมาณนะความถือพองว่าเป็นตัวกูเป็นนิพพานในปัจจุบันนี้แหละ คุณค่าเนื่องด้วยความหลุดพ้นหรือคุณค่าเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งความดีงามนี้มักจะมาพร้อมกับการมนัิการความเป็นอนัตตาเช่นว่าภิกษุมองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตก็ตามละจนถึงทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เราเป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงจะไม่มีอาหางการ์ ม, ามังการและมานานุสัยทั้งในกายอันพร้อมด้วยวิญญาณนี้และในนิมิตหมายทั้งปวงภายนอกอาหางการได้แก่กิเลสที่เรียกชื่อว่าทิฏฐิมังการ ได้แก่กิเลส ท, ที่เรียกชื่อว่าตัณหามา น, านุสัยได้แก่กิเลส ท, ที่เรียกชื่อสั้นๆว่ามานะนิยมเรียกเป็นชุดว่าตัณหามานะทิฏฐิพุทธพจน์นี้มีสาระสำคัญว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นอนัตตาชัดแจ้งแล้ว ก็จะไม่มีหรือจะชำระล้างเสียได้ซึ่งกิเลสที่เกี่ยวเนื่องผูกพันกับตัวตนหรือกิเลสที่เอาตนเป็นศูนย์กลางทั้งสามอย่างคือความเห็นแก่ตัวความแสหาแต่สิ่งบำรุงบำเริปรนเปิ่ร์ตนมุ่งได้มุ่งเอาผลประโยชน์ส่วนตัวที่เรียกว่าตัญหาความถือตัวความทนนงตนสาคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่อยากยิ่งใหญ่ไฟเด่นคมขี่ครอบงำผู้อื่น สแสวงหาอำนาจมายกชูตนที่เรียกว่ามานะและความยึดติดในความเห็นของตนความถือมั่นงมงายตลอดจนคลั่งไคล้ในความเชื่อถือทฤษฎีลัทธินิยมและอุดมการณ์ต่างๆที่เรียกว่าทิฏฐิที่เลสามอย่างนี้มีชื่อเรียกรวมกันเป็นชุดว่าปปัญจกหรือปปัญจธรรมแปลกันมาว่า ธรรมะเป็นเครื่องเนื่อช้าถ้าจะแปลให้ง่ายก็ว่าอิเลตัวปัน่นคือปั่นแต่งเรื่องราวปั่นใจให้ทุกข์ปั่นหัวให้เรื่องมากทำให้ยืดเยื้อเยินเยอ้อยุ่งเห ย, ยิงยืดยาวฟามเฟอฟันเฟือล่าช้าวกวนวุ่นวายนุน่งนางสับสนสลับซับซ้อน ทำให้เขวหางหรือถลายเฉือนแช่ออกไปจากความเป็นจริงที่ง่ายๆเปิดเผยปัญหาที่ยังไม่มีก็ทําให้เกิดมีขึ้นปัญหาที่มีอยู่แล้วก็ไม่อาจแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาตามเหตุแต่กลับทําให้ยุ่งยากซับซ้อนหน ung นังยิ่งขึ้นเป็นตัวบงการพฤติกรรมที่ทาให้มนุษย์พล่านไปมาขัดแย้งแข่งขันแย่งจริงกันตลอดจนก่อสงครามระหว่างพวกระหว่างฝ่าย ไม่เฉพาะแต่จะเป็นเหตุให้ทำความชั่วร้ายนา น, นับประการเท่านั้นแม้เมื่อจะทำสิ่งที่ดีงามถ้ามีกิเลสตัวปั่นเหล่านี้อยู่เบื้องหลังการทำความดีนั้นก็มีเงื่อนงามีปมแอบแฝงไม่บริสุทธิ์และทำได้ไม่บริบูรณ์ไม่เต็มที่กิเลสเหล่านี้จะคอยขัดทวงหรือชักให้เขวความรู้เข้าใจมองเห็นไตรลักษ โดยเฉพาะความเป็นอนัตตาจะบรรเทากิเลสที่เกี่ยวเนื่องผูกพันกับตัวตนเหล่านี้ให้เบาบางลงตลอดจนขจัดทำลายล้างให้หมดสิ้นไปสุดแต่กําลังปัญญาจะเห็นประจักษ์แจ้งทำจิตให้เป็นอิสระหลุดพ้นได้เพียงไหนเมื่อไม่มีกิเลสตัวปันเหล่านี้เป็นเงื่อนปอมแอบแฝงและเป็นตัวกีดกั้นจากัดให้คับแคบหรือให้แรงพัดพาให้เฉือนแช่แล้ว ผลทางแห่งการทำความดีงามก็เปิดโล่งกว้างไม่จำกัดขอบเขตจะบำเพ็ญคุณธรรมหรือสร้างสารรค์กรรมที่ดีงามใดๆเช่นไมตรีกรุณาทานศีลอัตถจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำได้อย่างบริบูรณ์เต็มที่และสะอาดบริสุทธิ์รวมความว่าการเห็นไตรลักษณ์ด้วยมานสิการอย่างถูกวิธี จะทำให้เกิดคุณค่าทางจริยธรรมทั้งความดีงามและความงอกงามที่มาพร้อมด้วยความสุขกล่าวคือดีงามด้วยกุศลธรรมที่ล่นโล่งไปไม่มีอกุศลคอยขัดทวงหรือบีบเบียนงอกงามด้วยความไม่ประมาทในการทากิจและเป็นสุขด้วยปัญญารู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่ทำให้จิตปลอดโปรง่งผ่องใสเบิกบานเป็นอิสระ ความสุขไม่เป็นจริยธรรมโดยตัวของมันเองแต่เป็นคุณค่าสำคัญทางจริยธรรมเป็นพื้นที่อิงอาศัยของจริยธรรมทำให้จริยธรรมดำรงอยู่ได้มั่นคงความสุขในที่นี้มุงอานิรามิสุขคือสุขที่ไม่อาศัยอามิ t h เป็นสำคัญเพราะเป็นสุขที่ไม่เจื่อด้วยความห ม, ม, มักหมมที่มักบูดเน่าหรืออืดเฟอ้อ และก่อโทษขึ้นได้ในภายหลังผู้ที่มองเห็นไตรลักษ์รู้เท่าทันธรรมดาและมีนิรามิสุขเป็นหลักประกันแม้จะยังเสพกามมาสุขก็จะไม่มืดมัวถึงกับหมกมุ่นหลงไหลหรือถลำลึกจนเกิดโทษรุนแรงโดยเฉพาะจะไม่เกินเลยจนกลายเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนตนและผู้อื่นและเมื่อแม้ความสุขนั้นพันแปรไป ก็จะไม่ถูกความทุกข์ใหญ่ท่วมทับเอายังคงดำรงสติอยู่ได้มีความกระทบใจแต่น้อยเป็นผู้พร้อมที่จะสวยความสุขในทุกระดับได้อย่างสมบูรณ์เต็มอิ่มเต็มรสและคล่องใจเพราะไม่มีความกังวลคุนข้องเป็นเงื่อนปมหรือเป็นเครื่องกิดขวางที่คอยรบกวนอยู่ภายในและยิ่งกว่านั้น ทั้งที่สามารถสวยสุขทั้งหลายได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแต่ก็ไม่ติดในสุขเหล่านั้นไม่ว่าจะประนีตหรือดีวิเศษเพียงใด